มากมายมหาศาลแต่เว้นเสียแต่คนไม่ได้คิดฮยังไม่ได้คิดและโง่อีกต่างหากแต่คนบางคนก็มีปัญญาอยู่แต่ไม่คิดแต่บางคนน่คิดก็คิดไม่ออกเพราะพราโง่นะถ้าโง่แล้วมันระลึกถึงบุญคุณใครไม่ได้ทั้งหมดระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีปัญญา เพอเพอรยังตำหนีอีกสิโดยซ้าไปถ้าจนอย่างนี้ทําให้เราเกิดขึ้นมาทำไมถ้าจนอย่างนี้พ่อแม่จนนี้ทำไมเราให้ทาให้เราเกิดขึ้นมาทำไมถ้าหลงถ้าหลงพ่อเป็นพ่อเป็นแม่หลงพ่อก็จะบอกว่าแต่แกเสือกมาเกิดทำไม <laughs>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 ว่าเราในขาดเรือขาดตกปกข้องอะไรในตัวของข้าพเจ้าถ้าพวกเรามองตัวเองไว้อยู่เสมอนะไม่ลืมไม่หลงตัวเองคนนั้นอะ่ะแค่แค่ว่ามีสติอยู่กับตนเองจะทำอะไรจะเดินก้าวเดินก้าวไปที่ไหนจะคบค้าสมาคมกับใครเรื่องอะไรผิดหรือถูก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 คำว่าบุญวาสนาบา ร, รมีตัวนี้คืออะไรเ่คำบุญวาสนาบา ร, รมีเก่าแก่เนี่เราได้ทำบุญไว้ในอดีตในอดีตตอดีตแต่ชาติปุเพจกับบพจกะตะปุญญาตาร์ปุเพจักตะปุญญาตารเราได้ทากรรมดีไว้ในอดีตได้สร้างบุญกุศลไว้ในอดีตได้ทำบุญกับ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 สิ่งไหนที่มันชั่วเสียหายไรอะไรศีลธรรมเราก็ทำอย่างนั้นอีกนั่นแหละความรวยแต่นั่นแหล ะ, ลหละจะพาให้เราจมดิ่งลงไปลึกลงไปอีกเพราะเหตุอไรเพราะเรารวยอีกต่างหากการเสริมความรวยของเราคือรั์เอาช็อปซับไปใช้เปนในทางที่ผิดนะเผืเ่อ เ, เอาเงินที่ตัวเองรวยนะ่นจ้าง ข่าคนนั้นจ่างข่าคนนี้ทำอะไรที่มันเร็วซื้อใดด้วยเงินพใน้สุก็เลยยิ่งจมเด่งลุกลึกลงไปอีกแปลว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบอัตตะสัมมาปณิทิเมื่อตั้งเกิดมารวยและตั้งตนไว้ไม่ชอบไปทางต่ำไปทางต่ำได้ลึกทีเดียวเพราะหลายเพราะมีส่วนประกอบสิ่งอำนวยความสะดวกมันพร้อมสิ่งเหล่านี้